อยู่วัดนี้ก็มีซึ่งเป็นอาคันทุกขะเขึ้นมาอาศัยอยู่ก็มีก็ร่วงจะ่เป็นนักบวชซึ่งพยายามหาความสงบด้วยกันทั้งนั้น <c oughs> ความประหนดที่แท้จริงนั้นพวกเราทั้งหลายจงเข้าใจ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 ก็ยังไม่ค่อยสบายก็ยังมีภาระผูกพันอยู่เสม อ, อมนี่เรียกว่าเดินยังไม่ถึงบ้านหรอกไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็เลยล่อนไปในทิศ ต, ต่างเรียกว่าสแสวงหามโมกะธรรมยกตัวอย่างเช่นพระภิกษุษสามเณรเหล่านีเ้เป็นตัวอย่าง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 หาความสงบไปอยู่ในที่สงบไม่อยากจะให้มันมีเสียงไม่อยากให้มีรูปไม่อยากให้มีกลิ่นไม่อยากจะให้มีรสอยู่เงียบๆอย่างนี้ไม่ว่า ม, มันจะสบายไม่ว่าความสงบมันอยู่ตรงนั้นทีความเป็นจริงนั้นเราไปอยู่เงียบๆไม่มีอะไรนั่น มันจะรู้สึกอะไรมไหมมันจะรู้สึกอะไรไห ม, ม, อไไหมลองลองคิดดูสิตาของเรานั้นนะ่ะถ้ามาเห็นลูกมันจะเป็นยังไงไหมหูเราเนี้ยถ้ามาได้ยินเสียงมันจะเป็นยังไงไหมจะโมกนี่ทําไม่มีกลิ่นมันจะเป็นยังไงไหมริ้นเราไม่รู้จักรถมันจะเป็นไงไห ม, ามาร่างกายไม่ กระทบโธตภะที่ถูกต้องอะไรมันจะเป็นอะไรยังไงไหมดูที่ดูใกล้ๆเรานี่แหละถ้ามันเป็นที่นั่นน่ะมันก็เป็นแค่คนตาบอดเลยนคนหูหนวกนคนจมูกขาดเนี่ยลิ้มดุดไปใช่กายในรับรู้อะไรเป็นอรมาพาตไปเลย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 เสียงมันก็อื้อมันไม่สงบเลยนะก็คิดผ่านไปผ่านมาเสมอว่าจะทํำไงนาะนะมันไม่สงบก็ต้องหาที้พึ่งมาปั่นที้พึ่งกลมๆแล้วอดกาแฟะในหูนั่นแหะไม่ได้ยินอะไรไม่ได้เสียงอื้อนะนึกว่ามันจะดีนะนึกว่ามันจะสงบนะปล่า ไม่ใช่มันเป็นที่หูอีกแล้วหละมีความคุ้แต่งอยากจะนั่งในมันสงบพ ร, รมร้านวัดก็ไม่อยากจะไปวัดมันอะไรก็ไม่อยากจะทำมันอยากอยู่เฉยๆให้หาสองสมสงบรรอย่างครูบาอาจารย์ช่วยจิตวัด ที่เราเอาศัยอยู่ก็ไม่ค่อยจะเอาใจใส่ใไปก็เพราะว่าเห็นว่ามันมันเป็นงานภายนอกไปคผมเคยยกให้ฟังบ่อยๆเช่นาอาจารย์ชินโนนซึ่งเป็นบุกศิษผมแกนิสิตามากที่สุดตั้งใจมาปฏิบัติระความ ความสนุก ป, ปุ่มกอสอในละไ้วานท่านก็เข้าใจนั้นแหลอละวางทั้งหมดอยากจะดีใหความเป็นจริงนั้นแตนก็มาอยู่ด้วยไม่ต้องอยากจะทำอะไรเมื่อหลังคาตาดิอารมมันพัดออกไปตกไปข้างหนึ่งที่หนึ่งท่านก็เฉยท่านอันนั้นมันของภานอกนะมไม่เอาใจใส่แดด โผลมาทันโน้นท่านบอกปีกมาทางนี้แต่ไม่ใช่เรื่องของท่านเรื่องของท่านมันเรื่องจิตมันสงบเนี่ยเรื่องหลังคามันรั่วมไม่ใช่เรื่องของท่านอืมมันขัดข้อม้วนวายมันเป็นภาระเนี่ยเออันนี้คือความพูดถึงความเห็นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอีกวันหนึ่งผม ก, ก็เดินเดินไปไปพบหลังคามันตก ต้องขอถามเึงนี่กติกของใครวมาของอาจารย์พี่นวลแสงก็เลยได้พูดกันอธิบายอะไรต่ออะไรกันได้อย่างอศีนาสนาวัตรที่เราอยู่นั่นนะคนเรามันตน้องมีที่อยู่ที่อยู่เป็นยังไงก็ต้องดูมันนะไม่ใช่่าเราหาเอาอะไร การปล่อยวางไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นอืมไม่ใช่ว่าเราปล่อยเราพิ่ง น, นั่นมันลักษณะที่คนที่ประมาทไม่รู้เรื่ อ, องผมีหันใจรู้ว่าฝนตกมาเอาดิต้องทิ้ไปโน่นนี่ทําไมไปยน่นน่่แดดออกมาตรงพทิ้งไปข้างโน้อนอีกแล้วทําไมเป็นงั้นล่ะถ้าไม่มีปล่อยมันไม่วางอบบนี้ของตัวเทศมีพังกันใหญ่เลย ท, าาท่านเราคอยใจเออเรา หลวงพ่อนบางทีเทศเนีเรายึดมั่บางทีเทศเห้เราปล่อยวางไม่รู้ว่าจะเอาอะไรยังไงแต่หลอดถึ ง, งรัางกายกติมันตกลงไปเราก็ปล่อยประวางขนาดนี้ท่านก็ยังว่าไม่ถูกอีกแต่ท่านก็เทศว่าไม่ยึดไม่รู้ว่าจะทำยังไงไมนจึงจะถูกดูสิคนนะใช่ไหมนี่มันเป็นนี่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 รีนเนี่ยมันจะมีรถไหมเจ่เพระอริย์เนี่ยมันจะมีรถไหมมันต้องอาศัยรถภายนอกมากระทบมันถึงมีรถเย่างนั้นเนตายหมดจ้ะอายตนะตายตาหูจมงกลิ้กนกายตายหมดก็เลยเป็นคนที่บาปไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นดูเฮ็ดมันอยู่ตรงไหนหม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 ดับไปก็เหตุนี่มันดับก่อนผลมันถึงดับเมื่อผลมันจะมีนี่ก็เหตุนี่มันมีก่อนก็แต่ผลมันถึงตามขึ้นมามันมีที่เหตุผลมันอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าความสงบนั้นอยู่อย่างนั้นมันจะมีปัญญาไหมมันจะมีเหตุมีผลไหมสําหรับที่เราจะต้องปฏิบัติ อาความโมกมันจะมีอะไรไหมเราอยู่สถานที่ว่าไอ้ถ้าเราไปให้โทษเสียงไปนั่งที่ไหนมีเสียงก็ก็ไม่สบายใจนะซึ่งตะกี้นี่ไม่ไม่ไม่ดีนี่ <c oughs> ที่ไหนมีรูปกันเดียที่นี่ไม่ดีไม่สงบอะไรที่ไหนนเนี่ยออื <c oughs> ยังงั้นก็ถึงคนเป็นคนอายตชนะหายหมดตาบอดหูหมดออืื <c oughs> <c oughs> ยิงนงผมทดลองดูอย่างนั่นก็คิดแต่เออมันก็แปกเหมือนกันนี่มันไม่สบายข้อตาโหูจมูกเลี่ยนกายจิตนี่แหละหรือเราจะเป็นคนมีจ็กสุบออดนะดีมันไม่เห็นอะไรดีมันจะหมดกิเลสที่ตรงเด็กแจ็กสุมันบอดตนะ่มันไม่เห็นลกูกหรือหากว่าโหมันหนักมันตึงมันจะหมดกิเลสที่ตรงนั้นนะมั้ย ลองมองดูที่ไม่ใช่ทั้งนั้นแหลอืมกงา น, นคนตาบอด ก, ก็สมเร็จอรหรันเนี่ยคุณหูหงอกก็สมเด็จหมดแล้วตาบอดหูหงอกเป็นหมดมถ้าหากว่ากิเลสมันเกิดขึ้นตรงนั้นมันั่นคือเหตุมันเหตุถ้าเรามันเกิดจากเหตุตรงนั้น เราตจงจัดตรงนี้เหษมันเกิดตรงนี้เราพิจารณาจากเหตุนี้อืไอความเป็นจริงอายุนธนะคือตาหูจมูกปีนกายใจนี่มันเป็นของที่อ่ให้เรารู้เรื่องตามความจริงให้เกิดปัญญ า, าเราไ่ดูเรื่องนี่ฉะนั้นเราจะจะตัดปฏิเสธเลยว่าไม่อยากจะเห็นรูป ไม่อยากจะเห็นบูกไม่อยากจะฟังเสียงมอยากจะอะไรทั้งนั้นว่ามันวุ่นวายที่ตรงนั้นเราไปตัดเหตุมันดอกเสีย แ, แล้วจะเอาอะไรมาพิจารณาละ่ะลองลองสิอะไรจะเป็นเหตุเนอะอะไรจะเป็นเบื้องต้นทากางเบื้องปลายมันจะมีไหมเนี่ยอันนี้คือความคิกผิดของกเราทั้งหลายนั้นคือว่าอาจารย์ท่านที่ไหนสังรวม การสังวรมีระมันเป็นศินสินสังวรตาหงษงหงษบินแตเป็นสินเป็นสมาธิเป็นปัญญาอยู่ในที่อันเดียวกันนี้สินอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั่นปัญญาอยู่ที่ไหนสินอยู่ที่นั่นสมาธิอยู่ที่ไหนสินก็อยู่ที่นั่นสินอยู่ที่ไหนสมาธิก็อยู่ที่นั่น มันเป็นอย่างนั้นก็เหมือนกันก็เรียกปากมือทั้งสองเรอมือซ้ายก็ดีมือขวาก็ดีเราจะล้างมือเอามือต่อมือนึ่งล้างกันเช็ดกันถูกันกษากันมันก็สะอาดเหมือนล้างมือด้วยมือเหมือนราล้างเท้าด้วยเท้าของเราตรงนั้นมันก็สะอาดเอามือนั่นแหละ ก็สิ้นก็ดีก็ปัญญาก็ดีเหมือนเอามือต่อมือร่างกันขูดกันสีกันเาเทาต่อเท้ า, ท า, ทาร่างกันสีกันมันก็ให้สะอาดได้เรานี้ก็เหมือนกันฉนันนันเราคิดดูดิคิดประวัติที่เรียกว่าพระอะไรนะพระสารีบุตร ่านไปตบพระเมื่อตาของท่านเห็นเห็นเดินไปเห็นท่านเดินวิบินถายพระอริยะสาวกเดินวิบินถวายท่านก็มองเห็นเมื่อมองเห็นก็เกิดความรู้สึกเป็นเม่พระองค์เนี่ยแตกเ่ยเกิดเนี่ยเดินไม่ช้าไม่เร็วกรีดีวอนสีีวอนของท่าน ก็ไม่ชูดฉาดเดี๋ยวนี้เดินไปก็ไม่มองหน้ามองหลังชำเรือนไปทั้งวรทั้งรวงเกิดแปลกขึ้นในใจเลยอันนั้นเป็นเหตุเป็นเหตุแก่ผู้ที่มีปัญญาท่านภาษาริบุศลสงสัยก็ตรงเข้าไปกราบเรี่ยนถามท่านอยากจะรู้ว่าใครมาจากไหนอะไร ท, ที่ไหนอย่างนี้ทั้นท กล้ามาอท่านเป็นใครฉันเป็นสมณนะใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านท่านตอบว่าพระโกลูเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านพระโกลูนั่นท่านสอนท่านว่าอย่างไรพระอริยะบุคคลเนี่ย ืท่านสอนมาทำมันเกิดเพราะเหตนะุเนอะเมื่อมันจะหลับก็เหตุมันดับไปก่อนผลก็จึงดับไปด้วยนี่คือภาษาดิวิติมณให้ท่านเทศให้ฟังท่านก็โคตที่ว่าทำตัวด้วยฉันจะอธิบายธรรมะอย่างฟุ้งเฟ้อเนยท่านฟังไม่ได้จะอธิบายพอสังเกตสังเก ต, เ, ตเท่านั้นท่านยกเหตุผลขึ้นมาท่ามเกิดเพราะเหตุ เหตุเกิดก่อนผลจึงเกิดเมื่อผลมันจะดับไปเหตุมันดับก่อนเท่านั้นพระสารีบุตรพอแล้วอนผมฟังทำได้ฟังทำก็สังเหตุแล้นั้นไม่ต้องพิสทดาเนี่ยเท่านั้นอันนี้เดียวว่ามันเป็นเหตุเพราะว่าในเวบาล น, นั้นท่านพระสารีบุตรมีตาและมีหูและมีจ ม, มูกมีหิน มีกายอายตนะสงสัยครบอยู่ถ้าหากว่าท่านอายาตนะหมดไปไม่มีมันจะมีเหตุไหมสัญญาทันจะเกิดไหมท่านจะรู้อะไรต่ออะไรไหมนี่และพวกเราทางไหนกลัวมันเะกระทบหรือชอบให้มันกระทบแต่ไม่ได้มีปัญญา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 มันถูกใจเราเราถึงจะชอบอันนั้นไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งในโลกเนี่ยบางสิ่งเราชอบใจบางสิ่งที่เราไม่ชอบใจมันมีอยู่ในโลกมันไม่มีอยู่ที่อื่นบางสิ่งเราชอบใจบางสิ่งเราไม่ชอบใจเนี่ยธรรมดาธรรมดาเราพูดได้ว่าสิ่งอะไรที่เราชอบใจแล้วก็ต้องการอันนั้นพระเนรนอยู่ในการเป็นการถ้าองค์ไหนไม่ชอบใจเราไม่ชอบไม่เอา เอาแต่องค์ที่ชอ บ, ชอบนี่นี่นดูที่เอาแต่สิ่งที่มันชอบไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะเป็นอย่างเงี้ยไอย้ความเป็นจริงนี่ยเรานะีน่พระพุทธโอสถ ป, ประการเโากรวิทูเราเกิดมาดูโลกอันเนี้ยอดูโลกเนี่ยให้แก่มแก้งให้ชัดเจนอืมโลกเนี่ยอืม ถ้าเรารู้จักโลกอันนี้ตามความจริงไปที่ไหนไม่ไหวไปไม่ได้จาเป็นจะต้องรู้จักอยู่ในโลกโดยต้องรู้จักโลกถ้าอริยะบุคคลสมัยก่อนก็ดีถ้าพุทธเจ้าเราก็ดีท่านกอา็อยู่กับพวกนี้อยู่กับพวกผู้ทุชนเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยท่านก็แย่แเอาความดีในโลกนี้เอง ไม่ใช่ท่านจะเอาอยู่ที่ไหนไม่แค่ว่าท่านหนีโรคไปไปหาทัาจะทำที่อื่นแต่ท่านมีปัญญาสังวรสังรวมโดยอายรตตาของดวงวิญญานกายจิตของท่านอยู่เสมอไม่ใช่ว่าท่านนี้ไปอย่างไรทำการประทุษปฏิบัติเนี่ยคือการไปพิจารณาดูสิ่งต่างๆเหล่านี้รู้ว่าตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่นะ ดูเรื่องมันทะนั้นพระพุทธองค์จริงให้รู้อายตนะเครื่อนต่อตายไ้ตามันก็ต่อรูปข้นมาเป็นอารมณ์หมูมันก็ต่ อ, อเสียงขึ้นมาจมูกมันก็ต่อเอากลิ่นข้นมาริ้นมันก็ต่ออรรถข้นมาร่างกายก็ต่อปุถะภาคข้ามาเกิดความรู้ขึ้นนี่ที่เกิดความรู้ขึ้นให้เราพิจารณาตามความจริง ถ้าเราไม่ดูจากจางความเป็นจริงเราก็ชอบที่สุดหรือเราก็เกลียดมันที่สุดเนี่ยชอบมันอย่างยิ่งเกลียดมันอย่างยิ่ง น, นี่อารมณ์เนี่ยถ้ามันเกิดมานี่คือเรียกว่าที่เราจะตัดสรู้ที่ปัญญามันจะเกิดตรงนี้แต่ว่าเราไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้น พระพุทธองค์ท่านไหนสังวรสังรวมการสังวรสังรวมนั่นไม่ใช่ว่าไม่เห็นมันเห็นไม่เห็นโลกไม่ได้ยินเสียงไม่ให้กิ่มไม่รู้จักรกไม่รู้จักโกตธจมพะไม่รู้จักทำอารมณ์ไม่ใช่อย่างนั้นเออไม่ใช่อย่างนั้นถ้าฟููประพือปฏิบัติไม่เข้าใจพอเห็นลูกแล้วก็เสียวฟังเสียงแล้วก็เสียวหนีด้วย หนีไปไม่สู้ไม่สู้หนีไปก็เรื่องมันจะหมดดิบหมดเดดมันนะเรื่องวันนี้ไปแต่เกราะมันจะจบลงนะเรื่องว่ามันจะพ้นไปไม่พ้นละไม่พ้นอันนั้นมันไม่พ้นหนีไปเฉยเฉยไม่รู้ตามความจริงแล้วข้างหน้ามันก็ไปโผล่ขึอีกก็ต้องแก้ปัญหาอีกเหมือนแผลที่ว่า มันเป็นแผลขึ้นมาอืมเรารักษามันจ้ะปาดปาดแผลเดมเีมันก็แห้งใส่ยากรับมันก็แห้งเอาปาดแผลมันแห้งเฉพาะแต่ปาดแผลแทนแต่ว่าไอ้ข้างในมันยังอยู่คือมันดีแต่ข้างนอกคือบัดนี้เรามาได้ยินเสียงเนี่ยไม่ได้เห็นรูปนี้ไปเท่านั้นสบายสบายเพราะอะไรเพราะไม่ได้ยินเสียงเพราะไม่ได้รู้รูป เพระไม่ได้รูงกิ่นในรีบรถไม่ได้โสตภาสบายเพราะอันนั้นสบายเคนนี้จากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นออไม่สมบายเพราะความรู้เท่าตามความจริงเหมือ น, น, กนก็แผฟดี่แบบปากแผลมันดีแห้งแล้วแต่ว่าทางในมันอยู่ไม่หายนานๆอาเสบจียนมาทีนี่นม่ก็ไปผาอีกลักษณอีกเยียบอีกแล้วก็รักษาไว้ แล้วข้างในไม่ดีแต่ปากแผมันเดีอดกิ้วพอหยุดการรักษาตัว น, นึกว่มามันดีแล้วเนี่ยนานๆต า, ายเป็นต่วมันก็อาเจียนมาอีกมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเช่นพวกปฏิบัติเราอยู่ในวัดก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่ในเขาก็ดีก็ไม่สบาย ก็รดินไปตรงอันนี้ไปดูอันนั้นไปดูอันนี้สารพัดอย่างนะมันจะสบายใจนะอือก็อไปใส่แงความเห็นไม่ตรงตามความจริงอย่างนั้นอืมลงขึ้นไปภูเขาเออตรงนี้พอสบายนะเอาละ่ะไม่รู้สบายกี่วันถึเบื่อแต่แล้ว อ, อ๋อลงไปทะเลหน่อยนะเออตรงนี้มันเย็นดีไว้อืมนะ ตรนี้พอแล้วเอาละนานอีกก็เบื่อทะเลอีแล้วเบื่อภูเขาเบื่อป่าเบื่อจัตวาทอย่างไม่เคยเบืเป็นสันมาสิฏฐิเบื่เป็นมิจฉาสิฏฐิกลับมาแล้วก็ไม่เห็นอะไร ก, กลับมาถึงวัด่ยจะทําไงเนาะไปไงเนาะไม่มีอะไรจะได้มาแล้วก็ทิ้งบาตรซึ้ง เนี่ยสึกทำไมมันเส่อมสึกมันมีช่วงกันสึกเหมือนรองเท้าเราเห็นไหมรองเท้าทีดีอย่างนี้เขามีช่วงกันสึกไปถูกยี้ถูกจอไม่สึกมันกันสึกกันแล้วพระเรานี่กับมันกันฉันนั้นไม่มีเครื่องตรีมันกันสึกมันก็สึกเหมือนรองเท้าที่ไม่มีเครื่องกันสึกเหมือนกันอย่างนั้น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 เอาใ ก, ใกล้กันเนี่ยเราอยากจะอยู่ในความสงบระงับที่สุดนะไนะม่อยากจะรู้เรื่องทะเรื่องเงินเรื่องอะไรต่งตางๆอืมนี่หนีไปดิ้ดิ้นน่่่่่่่่นนะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่ห่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่อ ง, อ ง, องอ่่่่่่่อง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เช่นกัเป็นเจ้าอาวาสสมมุติถ้าเป็นเจ้าอาวาสอันนี้เหตุการณ์มียุทุกเวลาปัจจุบันนี้ก็มีเลิกจะแล้วมันก็ยังมีอะไรเกิดขึ้นมาพิจารณาอยู่ปลูกใจเราเสมอทีเดียมันปลูกใจเสมอนี่เพราะอะไรนี่เพราะเขาถามปัญหาไม่หยุดนี่วะนี่ปัญหาไม่หยุดเราก็มีความรู้ไม่หยุดแก้ปัญหาไม่หยุด แก้ปัญหาตนด้วยปัญหาคนอื่นด้วยสาระัดอย่างปัญหามีคือมันตื่นเสมอแล้วกลัวที่เรามันจะดับไปก็ตื่นขึ้นมาอีกจะเป็นเหตุให้พิจารณาได้รู้เรื่องได้เป็นคนที่ฉลาดฉลาดด้วยของตัวเองด้วยฉลาดด้วยของคนอื่นด้วยฉลาดได้หลายอย่างความฉลาดอันนี้เกิดมาจากการกระทบเกิดจากการต่อสู้เกิดจากการไม่นี่ไม่นี่ไปด้วยกาย แต่เราหนีทางใจหนีทางปัญญาของเราเราร้เออยปัญญาของเราอยู่มันตรงนี้นะแต่แว่าเราไม่หนีมันเราจะหนีมัน้วยปัญญาไม่หนีไปในทางตายด้วย้ายเราเนี่ย อ, อันนี้เป็นเหตุที่จะให้เกิดปัญญาจะต้องทำจะต้องคุกคีอยู่ในสิตทั้งหลายเหล่านี้สมุนกันก็ที่เราอยู่ในวัดเรา ช่วยกันรักษาอะไรต่างๆทุกขีอยู่อย่างนี้แต่บะเมินมองดูคนอื่นก็ดนมันเป็นกิเลสเนี่ย อ, อยู่เดักพร ะ, ะมากๆเนีนมากๆโยน ม, มากๆเป็นกิเลสมากใช่ยอมรับเหมือนกันต้องอยู่ไปให้ปัญญาตืดด่อติให้มันลดความโงดด่สินี่อย่าอยู่ไปเพื่อให้มันเพิ่มความโง่ขึ้นมาที่ มันจะไปตรงไหนนะ่ะเราอยู่ไปเพื่อทีว่าให้มันลดความโง่อย่าอยู่ไปเพื่อให้มันเพิ่มความโง่ขึ้นมาก็ต้องพิจารณาอืมตาหูจมูกพีนใจมันจะกระทบเมื่อไรเป็นต้นก็ต้องสังวรหรือสังรวมพิจารณามาทุกข์เกิดขึ้นมาใครทุกข์เนี่ยทำไมมันถึงทุกข์อืมน่ ช่างชาโกรนิปกกลองดุสิตวรธีเป็นทุกข์ต้องรู้จักทุกข์เกิดขึ้นมานั่นนรู้สิให้มันรู้จักทุกข์ที่ทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยเรากลัวทุกข์เราไม่รู้จักทุกข์เลยจะไปสู้ที่ไหนล่ะถ้าทุกข์มาก็ไม่รู้อีกจะไปสู้ทุกข์ที่ไหนแล้วนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดอ่ะต้องให้รู้จักทุกข์การหนีทุกข์ก็คือให้รู้จักทุกข์ไม่ใช่ว่ามันทุกข์ที่นี่เราวิ่งไป อืมเนี่ยหอบทุกไปด้วยอือยู่ที่นั่นนีกก็ทุกเกิดทำไมวิ่งไปไม่ใช่คนหนีทุกคนไม่รู้จักทุกถ้าพระรู้จักทุกจะตรงบูเหตุการณ์อธิกรณ์เห็นไหมอธิกรณ์นะครับครูบาอาจารย์สันๆ อ, นอธิกรเกิดที่ไหนต้องให้มันระงับที่นั้นเนี่ยเอ่ยทุกมันเกิดตรงนั้นเรื่องที่ไม่ทุกมันก็อยู่ตรงนั้นเออเรื่องที่ทุกมันจะหายไปก็อยู่ตรงที่มันเกิดทุก ถ้าทุกเกิดขึ้นมาต้องพิจรารณาเกิดอธิกรณ์ตรงนี้เราหนีไปไม่ต้องหนีนะต้องแก้อธิกรณ์ให้มันจบอยู่เรื่องของมันทุกเกิดตรงนี้เราหนีไปใช่กลัวมันทุกนี่แหละคือโง่ที่สุดเนะสร้า ง, ง, งความโง่ขึ้นตลอดเวล า, เ, า, เ, าเราต้องรู้ใช่ไหมเราตั้งใจดีแล้วอืมทุกเนี่ยไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่ทุกขศาสตริย์ของเนี่ยส่วนทุกอะ เราจะเห็นแง่ว่ามันไม่ดีหรือเนี่ยทุกข์ขัดทุกข์ขั์สมุทัยกษัดฮิโรทัตริย์มรรคษัตริย์ถ้าเราหนีจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ไม่ปฏิบัติตามพัะธรรมเท่านั้นแหละมันจะพบทุกข์เมื่อไรมันจะรู้เรื่องเมื่อไรเราหนีทุกข์ด้วยไปเราไม่รู้จากทุกข์ก็หนีไปทุกข์นี่มันเป็นสิ่งที่กําหนดรู้ ถ้าเราไม่กำหนดมันจะรู้มันเมื่ อ, อไหร่ไม่พอใจหนีไปไม่พอใจหนีไปด้วยในเรื่อตามสงครามเราหมดหมดประเทศพยามารเอาหมดเลยเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านให้หนีด้วยปัญญาเปรียบมาหนึ่งว่าเรามีเทียย่ยงด้ว่น้ำนะตัมข้าวเราในน้อยเดินไปเจ็บปวด มันทีก็ให้หายไปบางทีก็เดินไปมันถูกเมืตอครับมันถูกกระดูกตันเจ็บปวดขึ้นมาแล้วก็มาคลาดูมันถ้มันอยู่ตรงนี้คลาไปคลามาก็ไม่เห็นแลีขี่เบียดดูมันก็ปล่อยมันไปนะอีกต่อกปเดินไปถูกจังหวะมันอีกเป็นต้นคลำนรื่อยๆมาเนี่ยคือคือไอ้ทุกที่มันเกิดขึ้นมานั่นเราจะต้องกำหนดรู้มันไม่ต้องปล่อยให้มันทิ้งไป อ่าแต่เหมือนเสี้ยนที่มันเราถ้าเราไปตําน้ามันเมื่อเจ็บปวดขึ้นมาเมื่อไรเอืออันนี้มันยังอยู่นะเนี่ยเมื่อเจ็บปวดมาในความรู้สึกว่าจะเอาน้ําออกจากข้าวเรามันก็มีพร้อมกันมาถ้าเราไม่เอามันออกมันก็เจ็บปวดนานๆเจ็บปวดนานๆเจ็บปวดอยู่อย่างเนี้ยผงที่สุดแล้วเนี่ยเอ่าไอความสนใจที่จะเอาน้ําออกจากข้าวเรามันมีตลอดเวลา อีกวันมันจะต้องตั้งใจเอาหนาบอกจนได้ี่เพราะมันไม่สบายอันนี้เรียก ว, ว่าอาการฟาร์ความเพียรของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันขัดที่ตรงไหนมันไม่สบายที่ตรงไหนมันติดตรงไหน ก, ก็ต้องมีเจนาที่ตรงนั้นแก้ไขที่ตรงนั้นไอ้แก้ไขคพื่อไอ้หนามที่มันย่อเข้าเรานั่นแหละงัดมันลงตรงนั้นแหละ เออเอาตรงนั้นนะมันออกตรงที่มันเจ็บปวดนั่นแหละออกในน้าอยู่ตรงนั้นอันนี้เปลี่ยบอุปมาให้ฟังอย่างนั้นจิตใจของเราต่ามันติดอยู่ที่ไหนอะไรนั่นแหะเราก็ต้องรู้จักอยู่อย่างนั้นคำไปคำมาก็รู้อยู่เห็นอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นแต่ความเพียรของเราไม่ถอยมันแต่ไม่หยุดท่านเรียกวิวริยาณพระ วิริยาลัพะปลาลภความเพียรอยู่เสม อ, เ, อเมื่อเวทนาทุกเวทนาเกิดขึ้นมาเมื่อไรในเท้าเราเนะี่ปลาลภว่าจะเอาน้าออกเสม อ, อจะดงน้าออกเสมอไม่ได้ขาดเลยไ อ, อ้ทุกข์ทางใจมันเกิดขึ้นมาด้วยจีรีปัญหานี้เราก็มีความรู้สึกปลาลภควมเพียรเสมอว่าจะพยายาม เนีพยายามฆ่ามันพยายามละมันอยู่ตลอดเวลาตามไปมีมีหยุดอย่างนี้อูกวันหนึ่งมันก็จนเมืองเราถึงที่กันนะเราปจะคุบมันได้ก็เหมือนกันกับไอ้ที่น้ำเจียมันยอดข้าวเราพิจารณาเรด้วยๆเราจะเห็นที่ของมันเนะอีกวันหนึ่งแล้วก็ในที่มันแคต้องมีโอกาสบ่งน้ํามอกเจียนได้ต้องพิจารณาอย่างนั้น เพราะฉนั้นเรื่องสุดทุกเนี่ยเราจะทํายังไงมันไหมถ้าไม่มีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนาะะเกี่ยอะไรเป็นเหตุไหมฮะออี่ยว อ, อะไรเป็นเหตุไหมถ้าอันนี้เหตุไม่มีผลมันจะเกิดตรงไหนเล่าอ่ามิจตธรรมนี่มันเกิดเพราะเหตุเมือ่อผลมันจะดับไปนั่นก็เหตุนี่มันดับไปก่อน ผลมันจึงหลับไปด้วยมันเป็นในธํานองอันนี้แต่ว่าเราไม่ค่อยเข้าใจจริงอยากจะหนีหทุกตนนี้เนี่ยอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเรารู้ไปถึงมันไอความเป็นจริงแล้วนั่นนะ่ะทําอยากจะให้รู้อันนี้รู้โลกอันนี้ที่เราอยู่เนี่ยไม่ตรงนี้ไปทางไหนนะจะอยู่ก็ได้จะไปก็เป็นจะให้มีความรู้สึกอย่างนั้น นี่ห้พิจารณาใ้ดีให้ดีวางมันสุขมันทุกข์ที่ตรงไหนถ้าเราที่เราว่าไม่ยึดหมายหรือมันไม่มั่นหมายตรงมันนึงอันนั้นมันก็ไม่มีท required, ุกข์มันก็ไม่เกิดในทุกข์เนี่ยไอ้ที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากภพมันมีภพที่จะเกิดมันก็ต้องไปเกิดที่ภพคือความเกิดด้านน่้มันจะเกิดที่ภพ ตัวอุปาทานนี่แหละมันเป็นทุกข์ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละมันเป็นทกกนุให้ทุกข์เกิดใอ้ทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาดูเถอะอยากไปดูไปกไกลจะดูปัจจุบันีดูกายดูจิตของเราเดียวนี้ที่เราปฏิบัติอยู่เดียวนี้มาทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะอะไรมันเป็นทุกข์ดูแล้วนั่นเอง เมื่อสุกเกิดขึ้นมามันเป็นอะไรมันจึงสุกดูเดียวนั้นนะ่ะมันเกิดตรงไหนน่ให้มันรู้จักเลยนั่นนะทุกเกิดที่อุปาทานสุกเกิดที่อุปาทานทั้งนั้นการเกิดขึ้นมามันต้องอาศัยภพคือชาติถ้ามันมีชาติขึ้นมามันต้องมาจากภพมันจึงมีชาติชาติเป็นอิา เทรมีพยาธิมีมรณะโสกปฏิเทวนาทุกไปเลยไม่ต้องเบื่อไกลแล้เรามันดูเดี๋ยวนี้อุปทานให้เกิดสุขให้เกิดทุกโดยที่ไม่รู้ตัวถ้ามีอะไรที่ชอบใจกับอุปทานอันนี้ของฉันอันนี้ฉันชอบใจก็ดีใจเันนั้นเนี่ยนี่มันเกิดอะไรมันเกิดเพราะอะไรอุปทาน ดูอีง่ายไม่ต้องดูมันนานหรอกไอ้อสิ่ในที่มันมีภพอันหนึ่งที่มันเกิดทุกขึ้นมาทุกมันจะเกิดทีภพเนี่ยทุกนี่คือชาติทุกเมื่อชาติเกิดขึ้นมาทีภพมันเป็นทุกเนี่ยเกิดขึ้นมาตรงนั้นชาตินี้มันก็รู้จกักที่เกิดมันคือภพทุกก็ดีทุกก็ดีมันเกิดจากภพ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 อันนั้นตอนในสนใจที่เดี๋ยวเาเกิดเ็คนตายเราเกิดนั่นน่ะสุตตะอมท่านไม่ค่อยคุนสนใจเท่าไหร่ครับ